ข็อความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงปโพธิญาณในวันนี้คงพูดเรื่องเทวตานุสติข้อต่อไปพืยังบอกไว้ในวันก่อนว่าเทวตานุสตินั้นคือระลึกถึงตัวเทวดาแล้วก็ถามไปว่าเทวดาเนี่ยท่านเกิดเป็นเทวดาได้ด้วยอะไร แล้วก็ศึกษาทำความเข้าใจกับธรรมะที่ทําคนนั้เป็นเทวดาเหล่านั้นในสุดก็มาตรวจสอบดูที่ตัวเราว่าคุณธรรมเหล่าเนี้เรามีบ้างไหมถ้ามีมีมากพอต่อการที่จะปิติประโมทไหมแต่มีไม่มากพอเราก็เพิ่มพูนขึ้นถ้ามีมากพอก็ตรวจสอบไปเห็นแล้วปิติประโมทก็จะเกิด และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าการนำเอาธรรมะซึ่งทำคนให้เป็นเทวดามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเนี่ย mm. ก็ช่วยเราเป็นเทวดาก่อนที่จะตายหรือไม่รอไม่ต้องรอว่าตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาคือเป็นด้วยอัตภาพร่างกายที่เป็นมนุษย์เนี่ยเมื่อก่อนได้พูดถึงว่าตบทเจ็ดประการนะครับ หนึ่งเลียงดูมันดาวิดาสองมาพูดตนออ น, น้อมต่อผู้ใหญ่ภายในตระกูลสามเจรจาถ้อยคำที่ไพเราะอ่ อ, อนหวานสี่เว้นวาจาที่สอดเสียดหันมาพูดคำส่งเสริมสามัคคีประสานสามัคคีกระชับสามัคคีแล้วก็มีคำสัตย์ แล้วก็คงมความไม่ใช่ขจัดมลทินคือความเสนีหนะฮะข้อที่ห้าเนี่ยขจัดมลทินคือความเสน่ห์ออกไปแล้วข้อที่โอกระดารงอยู่ในความสัตย์แต่ข้อที่เจ็ดก็คงความโกรธได้เอาชนะความโกรธได้นี่เป็นชุดหนึ่งแต่ธรรมะนั้นมันเป็นปริยายคือกี่ชุดก็ตามมันสรุปแล้วว่ากิเลสลดธรรมะเพิ่มกระทั น, นั้น กิเลสลดลงไปลดมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะอากเกสามังชนเป็นกัลยาณาปุตุชนจากกัญยาณาปุตุชนเป็นสัตว์บรุษเป็นบัณฑิตเป็นนักปราดเป็นระยะขึ้นไปโดยลำดับตามการลดของกิเลสและการเพิ่มขึ้นของธรรมะวันนี้จะพูดถึงธรรมะอีกชุดหนึ่งซึ่งทาคนให้เป็นเทวดามอนกัน อันนี้ทรงแสดงไว้ตรงๆเลยนะฮะเป็นเทวธรรมาฮิริอตุตตะปสัมป น, นาสุกธรรมะสมาหิตาสันโตสัปปิสาโลเกเดวธรรมาติวจุจเรสัต บ, บุตเรียกคนที่สมบูรณ์ด้วยฮิริและอตุตตระซึ่งเป็นธรรมะฝ่ายขาวว่าเป็นผู้มีเทวธรรมคือธรรมะที่ทาคนให้เป็นเทวดา ในสมัยโบราณเนี่ยท่านเล่าถึงการพยายามที่จะค้นคว้าแสวงหาธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาค้นหาเทวธรรมกันเป็นการใหญ่มีเรื่องเล่าว่าในดีตการนานมาแล้วนะมีพระชาพระองค์หนึ่งมีพระจรสสองพระองค์ชื่อมหิตสาสกุมานกับจันตกุมาน ในการต่อมาก็ส่งได้โปรดรถจากพระเมษีใหม่อองหนึ่งชื่อประสูตรย ก, กุมารตอนที่พระเมษีใหม่ประสูติพระราชรถคือสุรยิย ก, กุมารเนี่ยประชาานรื้มากทันดีประทศไทยมากก่พพาพรงวจารราชทานให้พนางเลือกพรตามที่ต้องการว่าต้องการอะไรก็เลือกเอา ในสุดนางก็เลือกเอาราชสมบัติให้เป็นของสุริยกุมารพระราชานั้นจั์แล้วไม่ข้นคำขืนคำไม่ได้ก็จำใจจะต้องยกให้แล้วก็เรียกพระราชโอรสมาคือสุยามหิสาสกุมารกัจันรกุมารเรียกนาะแล้วก็บอกว่าให้ไปอยู่ในป่าแต่ก่อนสักสิบสี่ปีอันนี้แปลกนะ ธรรเนียมในเราเจอเรื่องพนาลายาพระรามเองก็อยู่ป่าสิบสี่ปีเหมือนกันไม่ทราบเป็นธรรเนียบอะไรอยู่ป่าสิบสี่ปีหรือแม้แต่เรื่องของมหาพารตะยุทธก็อยู่ป่าจํานวนหนึ่งคือในรประเทศได้ไปอยู่ป่ามีสาสะกุมารกันจันทกุมารก็ตกลงปไทยที่จะไปอยู่ในป่า แต่ตอนออกจากวังเนี่ยสุริยะกุมารไปเห็นเข้าสอบถามพี่ชายก็เล่าให้ฟังกลิลูประมาณดามากเลยที่ทำอย่างนั้นไม่ยอมถ้าพี่ทั้งสองไปก็ไปด้วยพี่ให้กลับก็ไม่กลับเลยไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องไปด้วยกันโพระเจ้ากุมารทั้งสององค์จะกลับก็ไม่ได้นะมันละอายเกลียดใจไป ร, รับปากพ่อไว้แล้วในสุก็ไปด้วยกัน เรนแรมไปในป่าไปถึงที่หนึ่งก็คือกระหายน้ำขึ้นมาก็นังพักผ่อนก็บอกให้น้องชายคนเล็กเนี่ยไปหาน้ำปรากฏว่าในสระน้ำตรงนั้นเนี่ยมียักษ์กินีก็สิงสถิตอยู่เขาจับมาซักถามมารู้จักเทวธรรมไหมท่านตอบตอบได้แต่ตอบไม่ถูกเลยก็ถูกจับไว้ แล้วราชมารองค์ที่สองคือจันตะกุมารเลยก็ต้องตามมาแล้วก็ถูกจับเหมือนกันพอตอบไม่ได้ไม่สารกุมารรออยู่นานอนล่น้องสององค์ยังไม่กลับเลยก็เสด็จไปด้วยความระมัดระวังมีการสังเกตมีการตรวจสอบเสร็จแล้วไม่ยอมเข้าไปในบริเวณร่มเงาของต้นไม้เพ้าเห็นว่าไม่ชอบมาผักกลุน ยากก็ปลอมเป็นมนุษย์ขึ้นมาเชิญชวนชักชวนให้ลงไปในสัตว์ท่านก็สังเกตท่านก็ดูออกว่าไม่ใช่มนุษย์ก็สักถามทราบความว่าท่านต้องการคนที่รู้เทวธรรมแต่านละพรจะเท้ากุเวนมาว่าถ้าใครไม่รู้จักคุณธรรมแล้วก็มีเอเทวธรรมแล้วก็มีสิทธิทจะจับไปกินเป็นอาหารได้ก็ในที่สุด ไม่ซาสักุมารก็ตกลงจะแสดงเทวธรรมให้ฟังแล้วขออาบน้ำอาถายสบาย้ะก่อนอาบน้ำเสร็จแล้วก็แสดงจากข้อความที่ว่าไว้ในตอนต้นเนี่ยว่าสัตบุรุษกล่าวผู้สมบูรณ์ด้วยฤทอปตตาจึงเป็นธรรมะฝ่ายขาวว่าเป็นผู้มีเทวธรรมก็าทำอยักษินีพอใจถูกต้อง แต่วพื่อพิสูจน์ว่าท่านมีคุณธรรมเหล่านั้นหรือไม่ท่านมีฮีโร่โอตปะหรือไม่ก็บอกว่าเอาแหละน้องชายสององค์นี่จะให้เลือกองค์ท่านสุรยิยะท่านมัยสาสกุมาลก็เลือกโอสุริยะกุมารที่เป็นน้องคนเล็กแล้วทีนี้ก็บอกว่าเนี่ยท่านท่านรู้เทวธรรมแต่ไม่มีเทวธรรมเพราะว่าขาดการยกย่องเชิดชูผู้ ผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุมากกว่าในศาสนาสะกุมาลก็บอกว่าท่านรู้เทวธรรมด้วยแล้วท่านก็มีเทวธรรมด้วยแล้วก็เล่าให้ฟังว่าการที่เราต้องมาเดินป่าเนี่ยเพราะว่าแม่กับน้องชายก็ขอราชสมบัติให้แก่น้องชายแต่น้องชายไม่ยอม ้วขอให้เรารับราชสมบัติเราก็รับปากแก่พ่อมาแล้วก็กลับไปไม่ได้น้องชายก็ไม่ยอมกลับก็เลยตามมาถ้าเราปล่อยให้น้องชายตายโดยาการกระทำของท่านเรากลับไปบอกพ่อบอกว่าน้องถูกยักษ์นีจับไปกินได้แล้วใครจะเชื่อเราละอายเกลียดใจที่จะไปทํเช่นนั้นตอนจึงยอม เอาน้องคนเล็กเพื่อกลับไปคืนให้แก่พ่อแม่เขาไม่ได้ยักษ์ก็เลื่อมใสก็เลยมอบยันตะกุมารคืนตามมาด้วยพิสาสกุมารก็แสดงธรรมะหีอตุตตระนั่นแหละเว่าแกได้ จ, จับสิ่งมีชีวิตกินเนยแสดงแกไม่มีอีอุตตปะเหมือนกันในสุดก็ให้สมาทานสีนห้าแล้วก็อยู่ด้วยกันพอพระราชบิดาที่วงควดแล้วก็สามพี่น้องก็กลับ วสาสะ ก, กุมารก็ได้เป็นพระราชาจันทกุมารก็ได้เป็นอุปราชสุยักกุมารก็ได้เป็นเสนาบดีอันนี้เป็นเป็นการดูตัวอย่างนะว่าการรู้ธรรมะกับการปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันต้องไปด้วยกันไม่ใช่วรู้ธรรมะแต่ไม่มีธรรมะเลยเราต้องมีอยู่ระดับใด ร, ระดับหนึ่งแหละมีมากน้อยเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าต้องมีให้ได้ เพราะนิรินั้นมันเป็นมโนธรรมสำนึกซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตใจของบุคคลอาศัยชาติสกุลเนี่ยเป็นเสริมตัวเสริมสำคัญอย่างหนึง่งถ้าคนเกิดมาในชาติสกุลพุทธีที่อยู่ในศีลในธรรมเนี่ยแล้วการอบรมแนะนำสั่งสอนมาในทางที่ดีโอกาสที่จะมีฮิริอตุตปาสูงก็จะมีได้ง่าย ประการที่สองก็คือวัยอายุมันสูงขึ้นเนี่ยมีเหตุผลมากยิ่งขึ้นมีความคิดความอ่านมีความรอบคอบสุขุมมากยิ่งขึ้นและประการที่สามก็คือการศึกษาระบบการศึกษาจะมุ่งเน้นพัฒนาคนให้มีมโนธรรมสำนึกให้มีความรับผิดชอบสูงแล้วก็กลัวบาปรังเกียดบาปข็อยากาแยงต่อการกระทำบาป คนเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมที่สำคัญคือใจต้องกล้าหาญต้องเข้มแข็งถ้าจิตใจอ่อนไหวอ่อนแอแล้วก็จะทําอะไรได้ยากนี้ก็เป็นฮิริอดฮิริฮิริเป็นหน้าที่สกัดกั้นบาปอกุศลเราจะลองสังเกตว่าบางอย่างแม้เราคิดเราก็ไม่กล้าคิดมันละอายที่จะคิด มองก็ไม่กล้ามองละอายที่จะมองพูดก็ไม่กล้าพูดละอายที่จะพูดคือเรื่องมาเรื่องมันเกิดเป็นมโนธรรมมโนธรรมสำนึกที่คนนั้นเขาคิดขึ้นมาเองเขารู้ด้วยใจของเขาเองว่าอะไรมันควรหรือไม่ควรวันฮิริมันจะทำหน้าที่สกัดกั้นกระแสของบาปอากุศลเอาไว้มีความรู้สึกละอายรู้สึกรังเกียจรู้สึกขยะขยง ที่จะพูดที่จะทําหรือแม้แต่ที่จะคิดก็ เ, เรียกว่าอายปากที่จะพูดอายใจที่จะคิดและอายกระใจที่จะคิดและอายติกต่อกายที่จะกระทําพรานิริเนี่ยมันจึงอาศัยการเติบโตขึ้นมาคนเราอาจจะลึกซึ้งไปได้โดยลําดับ เราสังเกตว่าในที่สมาคมในที่บางแหง่งเช่นสมมติว่าเขานี่บนพระไปเนี่ยนะพระที่ฝึกปลุกอบรมมาดีๆเนี่ยฮะไม่หลุกเหลิกจะนั่งตัวตรงเรียบร้อยถ้าไม่มีอะไรก็นั่งหลับตาไปถึงเวลาก็ทํางานไปถามว่าปวดไหมเมื่อยไหมเหนื่อยไหมปวดเมื่อยเหนื่อ ย, อ ย, อ ย, อ ย, อยทั้งหมดกันเ แต่เป็นเรื่องละอายแก่ใจที่เราอยู่ในฐานะอย่างนั้นจะไปขนองกายขนองวาจาอย่างนั้นมันก็ไม่เหมาะไม่ควรมันมันละอายแก่ใจที่จะทำถึงบางครั้งมันไม่ใช่บาปกรรมอะไรหรอกสมัครผลทั่วไปแต่สมัครพระก็เรียกว่าไม่เหมาะไม่ควรแก่สมณาภาวะที่ตัวเองครอบครองอยู่ก็จะงดเว้นไม่ประพฤติไม่กระทำอย่างนั้น การต่อไปคืออตะปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปมันไปไปกลัวต่อ ต, ตัวผลซึ่งเกิดขึ้นจากหลังจากได้ทําบาปไปแล้วเนี่ยว่าต่อไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเพราะความความคิดเราก็เชื่อมโยงว่าถ้าเราไม่ทําบาปเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราทําบาปแล้วเราปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แต่บโนทําสํานึกตรงเนี้ยมันมันมันค่อนข้างยา ก, ก น, นะว่าค่อนข้างยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสังคมยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยเราลองสังเกตว่าคนเวลาเนี้ยใช้พวกมากลากไปพูกเดินกับวนพูกประท้วงพวกเรียกร้องทุบทําลายเผาบ้านเผาเมืองแล้วกลายเป็นวีรชนอะไรต่อเลยไม่มีเหตุผลอะไรเลยมันเป็นวีรชนได้ยังไงคนก่อการจะลาจนเผาบ้านเผาเมืองเป็นวีรชนได้ยังไงมันไม่มีเกณฑ์มาตรฐานอะไรแต่สังคมปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้น ตนนทั้งเกตเราพืนที่เดินก็ บ, บวนปิดถนนโอ้คนลงไปนอพิเทาไปอ้อนวอนท่านนันใหญ่โตเหลือเกินกฎหมายก็ไม่เคารพศีลธรรมก็ไม่มีจิตใจก็ขาดความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมที่ตนอาศัยแผ่นดินนี้ไม่ใช่เป็นแผ่นดินของตัวเองนะเป็นแผ่นดินที่อาศัยร่วมกันเราควจะมาใช้อำนาจโดยพฤการใช้พวกมากลากลูก่ทูกลางกันไปนี่มันเรื่องไม่เหมาะสม โดยนี่มันวิปริตและที่น่าสลดก็คือว่าคนจนเนี่ยทําตัวเป็นอภิสิทธตชนที่ลองเลยลองลองดูการทำลายข่าวแต่ละข่าวแต่ละข่าวอ้างเป็นสมัชชาอ้างเป็นสมาพันธ์อ้างไปเรต่อยๆใหญ่โตกันจังทําอย่างการว่าภาษีบํารุงประเทศตัวเองเสียคนเดียวคนอื่นไม่ได้เสียภาษี วันนึกจะทําอะไรก็ทําอันนี้คือปัญหาเรื่องขาดฮีฮโอตา ป, ปะแล้วมันขาดแคลนเอาแรงนะะเวลาเนี้ยลากลูกถูกกังกันไปจนปฏิเสธเรื่องบาปบุญคุณโทษกันไปเลยไปเสีเรื่องาศาสนากันไปเลยาศาสนาไม่เกี่ยวอะไรต่วอะไรเนี่ยไปกันไปโอตา ป, ปะเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากหนึ่งคือเราต้องคิดว่าถ้าเราทําอย่างนั้นแม่เราเองก็ตําหนิติเตียนตัว เ, เองได้ เลยก็ไม่ทําไม่พูดไม่คิดพอทําไปแล้วพูดไปแล้วคิดไปแล้วเนี่ยคิดอย่างนี้ไม่ควรแก่เราเราไม่ควรคิดอย่างเนี้ยคนหนึ่งเราไม่ควรพูดอย่างนี้คนหนึ่งเราไม่ควรทําอย่างนี้มันต้องรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าการติเตียนตัวเองได้มันยาก เพราะว่ามนุษย์เ่านั้นก็อย่างที่โลกนิตขาว่านะ่ะโทษท่านผู้อื่นเพียงมเมล็ดงาปองติชินนินทาหอนเว้นโทษตนเท่าปูผานักยิ่งป้องปิดคิดซ่อนเร้นเรื่องร้ายหายสูญนั่นคือธรรมชาติมนุษย์พัมันจะต้องมีอีกอย่างหนึ่งเข้ามาช่วยช่วยไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้คือวินยุชนเขาใคร่ควรพิจารณาจากพฤติกรรมของเราแล้วจะําหนิเอา เรามีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะถ้าเราทําเป็นอย่างนี้เราเองอาจจะไม่รู้สึกรู้สาอะไรแต่วมื่ยู่ชนท่านมีเหตุผลท่านมีสติปัญญาท่านมีความคิดท่านใกล้ควรแล้วท่านเห็นว่าการกระทำอย่างนี้ไม่เหมาะไม่ควรท่านก็ตําหนิเอาอีกประการหนึ่งก็กลัวต่ออาญาของแผ่นดินกลัวต่อการถูกจับกลุ่มคุ่มขังลงโทษโดย่าลืมสามอย่างเนี้ยเวลานี้ไม่แข็ง ไม่มีพลังในการที่จะสะกัดกั้นแม้คนทำบาปเพราะเรยเพราะคนผู้หนึ่งเนี่ยจะไม่แคร์อะไรเลยจะไม่สนใจอะไรเลยยังโกงกันน่าเฉยแต่เฉยเขาพูดโจนตีเรื่องนักการเมืองช่อชนคอร์รัปชันอะไรต่างๆแล้วก็มีข่าวช่อชนกันอยู่อย่างเงี้ยอาคารประฐานที่ราชการน่ที่บางแห่ง ที่เราเห็นแล้วเราไม่คุมดูงบประมาณดูค่าใช้จ่ายมันแพงแต่วัสดุอุปรกรณ์หรือว่าอาคารสถานที่มันไม่เหมาะสมกับราคานั้นนี่เป็นเป็นเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าเวลาเนี้ยคนไม่แคร์อะไรเนยเยอะมากใครจะว่ายังไงก็ว่าไปเรื่องของฉันจนถึงผู้ประช่วเมืองผีคอยดีเมืองคนก็แล้วกัน คนพูดได้อย่างนี้คิดได้อย่างนี้เป็นคนที่น่ากลัวไม่ใช่เล่นนะฮนะวินูชนเขาไม่แคร์อย่งนีไม่มีความหมายอะไรเนะี่ยเราอยู่ของเราเรากินข้าวของเราไปนว้นเลยนะฮะพวกคนบางคนก็คิดคิดน่ากลัวนะฮะมีคราวหนึ่งก่อนที่จะเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจมาเจอหลายคน นึกว่าเขาพูดเล่นนะถามมาพูดเล่นหรือพูดจริงแกบอกอาจารย์เวลานี้คนเราถ้ารวยต้องโกงนะอาจารย์ถ้าไม่โกงไม่มีทางจะรวยหรอกกลายเป็นสูตรว่าถ้าจะรวยต้องโกงถ้าไม่โกงก็จะไม่รวยแล้วก็ถามวาพูดเล่นหรือพูดจริงแกบอกพูดจริงพูดจริงต้องต้องโกงต้องหาทุกวิถีทางที่จะพอกโกงอันนั้นก็คือไม่สนใจวินดูชนละ ไม่สนใจการดำเนินทุ่งติงกับวินดูชนนะเสร็จแล้วพอกฎหมายบ้านเมืองเธอก็เงินซื้อเอาเราลองสังเกตนะเราลองสังเกตถึงว่าวิธีหนึ่งเนี่ยวิธีหนึ่งเช่นมีข้อประกาศที่เมื่อวันที่เท่าไหร่วันที่สิบสองสิบเอ็ดนะฮะวันที่สิบเอ็ดเนี่ยได้ฟังข่าวมาบอกว่านายบินละเดนเนี่ยเขาจ้าง เอาปืนมาได้หนึ่งก็ให้เงินเท่านั้นเอาเสื้ออเมริกามาให้ตัวหนึ่งก็ให้เท่านั้นจับหานอเมริกามาก็ให้เท่านั้นแล้วเขาก็ลาดไปจนถึงรัวเ ง, ง, ง, งินนี่ไม่รับบัญชานายมันค่าของกาค่ายาบ้านะ ค, ะค่าไอรอินเห็นไม้มเขาไม่ทำนึกอะไรเลยแล้วเขาก็ทำอะไรน้าเฉยตาเฉยแล้วก็มีคนื่นฉมเขา มีคนชัน่นชุมเขาขนาดสกรีนเสื้อเป็นภาพลักษณ์เหมือนกับเชกกวร่าอะไรต่ออะไรเ น, นี่ยอันนี้คือเรื่องน่ากลัวสังคมมันถูกกระแสพัดพาไปจนไม่รู้อะไรมันเป็นบาปบุญคุณโทษอะไรมันควรไม่ควรคนผิดก็คือผิดใครทําก็ได้ผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกมันไม่ใช่ถ้าพวกเราแล้วผิดต้องถูกถ้าคนอื่นแล้วถูกก็ต้องผิดมันไม่ใช่อย่างนั้น คนบินยุชนในต้องฟังแล้วก็กฎหมายบ้านเมืองในต้องยอมรับนักถือทีนี้ถ้าคนไม่กลัวทั้งสามอย่างนี้มันต้องกลัวอย่างหนึ่งซึ่งเวลานี้จับกลับกับอ่อนแอเพราะ ว, ว่าคนทุนใหญ่จะไม่เชื่อจากการสังเกตว่าตอบปัญหามาันมาหลายสิบปีมานานมากๆในการตอบปัญหาเนี่นะ แล้ปัญหาเรียกว่ามากที่สุดตอบบางทีในสองชั่วโมงตอบไม่หมดสามชั่วโมงเลยบางทีเพี่ยอบรรยายอบรมเนี่ยบางทีเจอแต่ปัญหาโดยเฉพาะกับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเราเจอแต่ปัญหาในยเยอะมาระยะหกเจ็ดปีหลังเนี่ยก็ปัญหาก็เยอะมากจะถามเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องชาตินี้เรื่องชาตินาเรื่องตายเกิดตายสูญอะไรต่ีงๆจะถามอยู่ทุกแห่งทุกครั้งทุกวัยนะทุกวัยของคนที่ที่เราไปอบรม แล้วก็มีความโน้มเอียงในทางที่ไม่ค่อยเชื่อนะแต่ว่ามันก็อธิบายไม่ได้นะแกก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมยังไม่เชื่ออันนั้นคือสิ่งที่มีปัญหาเพราะงั้นมันต้องกลัวภัยในนรกคนที่จะกลัวอดเกิดอดตปะขึ้นมาจริงๆต้องกลัวภัยในนรกวันภัยในนรกมันก็ต้องใช้ความเชื่อแล้วเชื่อพระอราหันต์ทั้งหลายเชื่อพระพุทธเจ้า คนเราต้องไม่เชื่อคนระดับพระพุทธเจ้าเชื่อพระอาหารหันต์แล้วก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วนะแต่ถ้าไม่เชื่อนี่มีปัญหาอ น, นี้ก็คือหลักการสาคัญในการเพิ่งภูณียเกิดอุตต ป, ปะขึ้นมาภายในใจแล้วเราจะเห็นว่าโทษบาป ท, ทั้งหลายที่ทรงแสดงไว้ในพระคัำพีพระใจบิดดกเนี่ยคือถ้าคนทําชั่วจะเป็นธรรมด้วยอะไรก็ตาม มันจะมีข้อสุดท้ายการลองสุดท้ายเนี่ยเหมือนกันทุกแห่งเลยก็ล อ, องสุดท้ายบอกว่าสำ ม, มุนโหกาลังกรโรจิคือหลงตายแล้วข้อสุดท้ายก็บอกว่ากายยะสะเพดาปรมนาทุกติมินิปาตังเนรยัง อ, อวปัติจิตเบ้งหน้าจะตายประกายแตกจะเข้าถึงทุกติวินิบาตนะโรคสุรกายคนที่จะมีเทวธรรมเนี่ย สาเงื่อนไขปัจจัยต่างๆตรงนี้ที่จริงถ้าเราใช้ศรัทธากับปัญญาแล้วก็เลิกพูดเรื่องอื่นได้นะเราใช้ศรัทธาในพระพุทธเจ้ากับปัญญาในคําสอนในกระบวนการของเหตุของผลต่างๆเนี่ยเราจะเกิดเป็นความรู้ความปัจจัยที่ถูกต้องตามที่ทรงแสดงไว้เองในอิทธิอุตตระก็จะบังเกิดขึ้นเพราะงั้นเมื่อเราน้อมมาพิจารณาดูว่าเราในมีอิทธิอุตตระไหม ถ้าเราเห็นลมีแล้วเราสามารถหยุดยั้งพฤติกรรมต่างๆที่ไม่เหมาะไม่ควรไว้หลายข้างหลายผลเพราะว่าใส่หีดีโอตับ ป, ปะเราคิดไปคิดมาดูไปดูมาเราก็เกิดปีติประโมทเกิดปีติประโมทที่เรามีธรรมของเทวดาและมีธรรมที่ทาคนให้เป็นเทวดาอย่างน้อยที่สุดในขณะนั้นใจเราเข้าถึงเทวะคือความเป็นเทวดา เห็นชัดเจนปิติประโมทก็จะบังเกิดขึ้นนี่ก็เป็นเงื่อนไขอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดปิติขึ้นไปในจิตใจของบุคคลท้องฟังทั้งหลายได้ร่วมบริวารในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี